ก็งไม่เบื่อหน่อยนะก็จำเป็นที่เราจะต้องศึกษาบันเรื่องกายเรื่องใจเรามีกายมีใจ กายมีปัญหาเยอะแยะถ้าเราไม่ศึกษาถ้าเราศึกษาก็ได้ปัญญาเยอะแยะปัญหาที่เกิดจดากกายถ้ารถ้าศึกษาเกิดปัญญ า, าก็เป็นมรรคเป็นผลปัญหาที่เกิดจากกายจากใ จ, ะจะ ถ้าบัณศึกษาเขาเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นนรกเป็นเบิด เ, เราจะปล่อยให้เป็นอย่างไรต้องใช้มันให้สำเร็จประโยชน์เหมือนเราใช้สิ่งของต่างๆให้สำเร็จประโยชน์ ของวังอย่างวัดปัดจจัยสิ่งของต่างๆใช้ได้สำเร็จมีข้าวกินข้าวอิม่มได้เลือดได้เนื้อได้กำลัง่อทำความดีนี่เราจึงต้องศึกษามันใครๆก็มีกายมีใจเป็นหญิงเป็นชายก็ากายใจ เป็นาพาะเป็นครับว่าเจ้าจมคุยกายคือใจเพศใดวัยใดก็มีกายมีใจและที่ใดศาสนาไหนก็มีกายมีใจโราเอาประโยชน์จากมันให้มันได้วันนี้เดี๋ยวนี้ให้มันจบง่ายไป จนปัญหาเกิดจากกายเป็นสุกเป็นทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ต้องมีเดี๋ยวนี้ปัญหาเกิดจากใจกวามโกรธความหลงความทุกข์ก็ต้องหมดเดี๋ยวนี้ต้องมีความไว้โกรธไว้โลภไว้หลงไม่ทุกข์เดี๋ยวนี้เพื่อจะได้ใช้ให้เกิดความสะดวก ในการมีชีวิตาการศึกษาได้ประโยชน์จา ก, กที่มันเกิดประโยชน์จากกายจากใจนี้วันคือชีวิตชีวิตที่มันเมืเ่อเกิเกเกเกดเจ็บเจบตายมันได้จากกายจากใจนี้กาใจที่มันได้มานี่เอามาต่อยอดให้ได้ได ชีวิตถ้าสุขท้าทุกข์มันไม่ใช่ชีวิตถ้าโกรธถ้าโลภท้าหลงมันไม่ใช่ชีวิตชีวิตมันไม่เป็นอะไรไมันจบได้ความโลภของโกรธคองหลงความทุกข์มันจบได้นั่นคือชีวิต ถ้าหากว่าเรามีหลงมีโกรธอยู่ยังไม่มีชีวิตเลยชีวิตที่ได้อันเกิดจากกายจากใจเอามาเป็นความแก่ความเจ็บความตายถ้าไม่ศึกษาถ้าศึกษาก็ชีวิตที่มันไดจากกายจากใจนี่มาเป็นมะขวันผลเหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายแล้วความเกิดเจ็เจ็บตายเราก็เห็นอยู่ การเกิดนอาจากคันมันดาเราไม่รู้ไม่คิดไม่รวยเป็นเช่นไรคงจะยากลำบากมีคนสองคนชีวิตสองชีวิตในวันเกิดของเราเฉียงเป็นเฉียงตายทั้งสองคนอีกคนเดินๆจะมี ความวิตกกังวลมากน้อยแค่ไรต้องมีแน่ๆอ น, นั้นเราไม่รู้แต่เรามาลูกมันเกิดอีกอันหนึ่งที่มันมีอยู่เดี๋ยวนี้เกิดทวมหลงเรามีเดี๋ยวนี้ตัวใครตัวมันต้องรับผิดชอบเกิดความทุกข์เรามีเดี๋ยวนี้ ต, ต, นต้องรับผิ ด, ดอชอบเอด ปันหาต่างๆกิเลสพันห้าตัหาเลยแปเป็นค น, คนก็เป็นการเกิดของใครของตัวใครตัวมันต้องรับผิดชอบตัวใครตัวมันนี่คือการเกิดในความเกิดที่มันเป็นความโกรธมันก็มีความแข่มันก็มีความเก็บมันก็มีความตายในความโกรธนั้น ในความทุกเกิดทุกเกิดความทุกข์ก็มีการแก่การเก็บการตายในความทุกข์เกิดความรักก็มีความแก่ความเก็บความตายในความรักเกิดความเกียดชังก็มีความแก่ความเก็บความตายในความเกียดชังอันนี้มันเกิดเกิดดับแบบนี้ถ้าไม่เกิดแบบนี้คือมัน จบไปแล้วจะมันก็ต้องไม่มีการเกิดเจ็บเจ็บตายถ้ามีการเจ็บแบบเกิดในความโกรธในความแก่ความเก็บความตายไม่ปัญหาสำหรับผู้มีชีวิตก็มันเห็นแล้วมันจบแล้ว มันจบแล้วก็วอยู่อย่างอิสละแต่ทำอย่างไรเรื่องนี้ดังที่เราสาธยายพะสูตรว่าก่วมเพียนเพียนอะไรเพียนเพื่อจะไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้น อาุศลคืออะไรคือความหลงความโกรธความโลภความทุกข์ความปัญหาต่างๆเป็นอกุศลมีไหมวันหนึ่งเราหลงมีไหมเราทุกมีไหมเราวิตกกังวล ม, มีไหมมันเกิดแล้วจึงจึงรู้ล้วก็ ก็บางทีก็แช่ได้บางทีก็แช่ไม่ได้เหมือนโครคไผยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นแล้วบางทีก็รักษาได้โรควางอย่างรักษาได้โรควางอย่างรักษาไม่ได้<ส>การเกิดโรคเกิดจากอะไรเกิดจากการใช้ชีวิตใช้กายใช้ใจผิดมันก็เลยเกิดโรค ก, ก, ก็แช่ได้กวรจะแค่ก็เป็นภาระนี่วัตถุปัจจัยต่างๆมากมาย จึงมีความเพียรเพื่อไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นตัวใครตัวมันอีกเหมือนกันความภาคเพียรที่ละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นอีกสองอย่างอากุศลหนึ่งป้องก่อนอันหนึ่งต้องละ เช่นความโกรธต้องละถ้ามันเกิดขึ้นเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธความหลงเกิดขึ้นต้องเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงความทุกข์เกิดขึ้นต้องเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์นี่อาโศลต้องทําอย่างนี้ทํำยังเกินไม่ได้เราทําเป็นไม้ป้องกันเป็นไม้แค่ไขเป็นไม้ หรือปล่อยทิทงไว้นานเท่าไหร่แค่นความโกรธกี่กี่วันกี่เวทกี่นาทีกี่เดือนกีน่ปียังมีไหมความทุกข์มีไหมนานไหมมีประโยชน์อะไรดูไหมแล้วมันมีตัวมีตนไหม ได้สัมผัสกับมันลองดูไหมความทุกข์ความโกรธถ้าเราเปลี่ยนมันหรืมันจะเป็นอย่างไรเคยสัมผัสไหมเคยทำไหมนี่คือป้องกันอากุศลละอากุศลเมื่อมันทำได้อย่างนี้ก็มีอันหนึ่งต่อไปอีกคิดใจของเรา ใ น, นก็มีอารมณ์เป็นคู่เป็นคู่ของขิดมันย่อมย่อมอารมณ์กายเป็นคู่ของความสุขความทุกข์ที่เป็นเวทนาที่ใจกาเป็นคู่อารมณ์อารมณ์คืออาการที่เกิดกับกายกับอาการที่เกิดกับขิตใจ มีอะไรมากมายหลายอย่างจากกองทุกข์ความโกรธความโลภความหลงเป็นอารมณ์ที่เกิดเป็นธรรมอารมณ์ที่เกิดกับใจเป็นตัวเป็นตนเป็นพวกเป็นชาติ จนทำตามมันรับใช้มันมีกายไม่ใจเพื่อรับใช้อารมณ์เอาอารมณ์เป็นตัวเป็นตนแต่ถิงนใจทำตามอารมณ์ก็ ว, ว่าทำมารมทำามาลมเนี้มีสองอย่างกุศล อกุศลความพอใจความไม่พอใจมันมีมันมีบวกมันมีลบชีวิตที่บวกที่ลบพอใจก็จะเอามาเป็นของตนเกิดความขัดแย้งสวนทางกับ คนอื่นชีวิตอื่นวามไม่พอใจที่จะผลักออกไปก็เป็นความขัดแย้งในตัวเองและคนอื่นจิงเงินวัตถุอื่นสวนทางกับคนอื่นเคยมีปัญหามีปัญหาต่อส่วนรวมต้องมีตัวบทกฎบมายต้องมีคุกมีตลาด หรือจนต้องมีแพทย์มียามีโรงพยาบาลเพราะมันใช่กายใช้ใจผิดไปไกลไ<ป>ถ้าเราศึกษาเรื่องนี้ดูนะ่ะต่างคนต่างแค่ตั้งแต่ อะไอวิชชาคือหลงวิชาคือไม่หลงตั้งต้นสองสองลักษณะวิชาคือความไม่รู้วิชาคือความรู้วิชาคืออวิชชาความไม่รู้ไม่ใช่ไปท่องออกวิชาคือความรู้ก็ไม่ใช่ไปท่องเอา ต้องมีการกระทำวิชาวิชามันเกิดที่ใดที่กายที่ใจเราเนี่ยเราจะเห็นอย่างไรจะรู้ได้อย่างไรหลังที่เราสาเที่ยวพสูจนะมีความเพียรมีสติ ทำอย่างไรมันเปสูตรอยู่สูตรนี้ให้มันเด่นขึ้นไปคือวิชานี้เรียกว่าวิชาวิชากรรมฐานกรรมฐานคืออะไรกรรมฐานคือที่ตั้งของการกระทำทำอย่างไร กายกายอนุปัสีวิหารติมีสติเห็นกายอยู่เป็นประจำเอากายมาเห็นจับมันมาตั้งไล้ดูมันมันจะเกิดอะไรขึ้นที่กายเห็นหรือเป็นบัด น, น, นยศึกษาตอนนี้ถ้าเห็นใช่ได้ถ้าเป็น ยังใช่ไม่ได้อ่านไม่ออกมันหลงเห็นมันหลงอ่านออกเดวพบเห็นเดาน้าหลงเป็นหลงอ่านยังไม่ออกจังปึกเป็นปุตุชนถ้าหลงเห็นมันหลงเป็นกัลยาณ์ปุตุชน ได้หลักนี่คือเป็นเป็นหลักสูตรมันมีอะไรต่อไปเรีนสุกุณทุกเห็นอีกมีอะไรอีกที่มันเกิดเราโอ้กายมาตั้งไหม่มันมามันเป็นศูนหรวมของการศึกษามาให้เห็นอบางทีมันคิดมันคิดเห็นมันอีกเราดูกายอย่างเดียวเห็นกิด แล้วเห็นความคิดเห็นธรรมขึ้นมาธรามอารมขึ้นมาเอามาศึกษาแบบนี้ศึกษาแบบนี้เรียกว่าเียว่าความเพียรมีทั้งลกความชัว่วมีทั้งทำความดีมีทั้งทําจิตใจให้บริสุทธิ์ขณะเดียวกันมีสติแล้วก็ละความชั่ว มีสติก็ทําความดีมีสติจิตใจก็บริสุทธิ์ไปพร้อมๆกันละความชั่วก็เป็นศีลทำความดีเป็นสมาธิเปลี่ยนล้ายเป็นดีเป็นถูกเป็นปัญญามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงมันเป็นปัญญาแล้วมันโกรธเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเป็นปัญญาแล้วปัญญาแล้วมันทุกข์เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์มันเปลี่ยนได้ ปฏิบัติได้ให้ผลได้มันต่างกันอยู่หลงมันเป็นไงไม่หลงเป็นไงโกรธเป็นไงไม่โกรธเป็นไงทุกข์เป็นไงไม่ทุกข์เป็นยังไงบอกทิศบอกทางไดกระเสอทาง <c oughs> ในชีวิตชอบขึ้นมาเป็นความเพียรชอบเป็นความตั้งใจไว้ชอบเป็นการกระทำที่ชอบ แบความดับลิที่ชอบแบ่งความคิดทิชชอบเกิดเคารพความถูกต้องความหลงไม่ต้องเคารพมันเคารพความไม่หลงความโกรธไม่ต้องเคารพมันความรบเคารพความไม่โกรธความทุกข์ไม่ต้องเคารพมันไม่ต้องทำตามมันทําตามมันความไม่ทุกข์ควรทํำดาเนินไปขยัน ขยันเรียกว่าความเพียรขยันลู่ไม่ใช่ไม่ใช่ขยันเรียกว่าภาวนาขยันลู่เรียกว่าภาวนาภาวนาไม่ใช่พุทโธพุทโธสัมมาหลังสัมหหังภาวนาขยันลู่เอาอะไรมาเป็นพังวาที่ลู่เอากายเป็นอุปกรณ์ เอาลมหายใจก็ได้ตัวไหนที่เป็นกายเป็นโลกกายก็เป็นลูกเออลมหายใจก็เป็นโลกการเคลื่อนไหวมือก็เป็นโูกเดินก็เป็นโูกกลืนน้ำลายก็เป็นโูกคิดก็เป็นลูกสั้งผัดได้เอามาเป็นอุปกรณ์การศึกษา ไม่ใช่ใช่กายใช่ใจเป็นอุปกรณ์การศึกษาเหมือนกับตำราการศึกษาก็เหมือนกับสติเหมือนสติเหมือนนักศึกษา เห็นอะไรก็ศึกษาทลุ ย, ย่อยอยาให้เป็นรูปนังกอ้อนอยาให้หลงเป็นหลงอยาให้โกรธเป็นโกรธอยากให้ทุกเป็นทุกในความโกรธมันก็ไม่เที่ยงเป็นธรรมในความทุกมันก็ไม่เที่ยงย่อยออกมาจนมั่นไม่มีเช่งดใดไม่เที่ยงสิงนั้นเป็นทุก คือได้เป็นทุกข์เช่นั่นไม่ใช่ตัวตนจึงได้ไม่ช่ยตัวตนจึงนั่นไม่ควรยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทิ้ไม่เอกง่ายง่ายแต่ถ้าเราไม่หัดไม่ง่ายยึดว่าเป็นตัวเป็นตนกู ก, กูโกรธกูกพอใจกูไม่พอใจ ทำตามความโกรธทำตามความพอใจทำตามก็มไม่พอใจบางทีมันกูได้โกรธตายก็ไม่ลืมทําไม่เปลี่ยนเลยให้ความโกรธรอบงาชีวิตใจเราตัดทิงใจทำตามความโกรธเหตุผลเต็ไมไปหมดเลยเมื่อโกรธมีเหตุไม่ผลเหมือนกัน ตามตามเหตุตามผลฆ่าตัวตายฆ่าคนอื่นตายทำ้ายอะไรก็ได้เหตุผลเหตุผลแบบนั้นไม่ใช่ใชสัจธรรมในหลักอริยัจสเหตุผลนั้นเป็นไปเพื่อการดับทุกข์ทุกเป็นเหตุเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกเป็นผลนี่มันจึงเป็นเหตุผล ทุกเป็นธรรมไหมว่าไม่ทุกเป็นธรรมไหมเหตุผลว่ทุกถูกต้องไหมว่าไม่ทุกถูกต้องไหมนี่เหตุผลถามแล้วนี่เราก็ตอบได้คมโกรธดีไหมไม่ดีไม่โคมไม่โกรธดีไหมดีอันนี้เหตุผลตอบได้เฉยๆไม่ใช่ต้องทำเป็นต้องทําเป็น เกิดเป็นไม่ใช่จำต้องประกอบประกอบยังไงคือวิชากรรมฐานเนี่ยเจอทันทีหนึ่งละรลู้ลู้เป็นระดับหนสองจะมีหลงเมื่อมีหลงเปลี่ยนหลงเป็นลู้ทำเป็นแล้วเนี่ยลู้อยู่เนี่ยเป็นเจ้าเรือนเป็นเจ้าของเสมือนว่ากายใจ มันแต่ก่อนมันเถื่อนแบบ น, นี้ขอคลองมันเถอะสามสิบปีมันเถื่อนมากโบหลวงพ่เถื่อนบอกว่าให้เห็นดูวันทีเนี่ดูมันดูลู่อยู่พระพิจาก็ทำแบะนี้ที่เกิดพระเจ้ากู้แขนเข้ารู้สึกเหยื่อแขนออกรู้สึกเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยเหมือนกับเป็นเจ้าของขอครองมัน เป็นเจ้าของที่จะดูแลมันการเป็นเจ้าของดูแลกายใจนั่นแหละคือตัวปฏิบัติอะไรไม่จะเกิดขึ้นจากกายจากใจป้องกันรักษาแค่ข <c oughs> สันทนี่เีวยว่าเจ้าของ <c oughs> แล้วกนมันเถื่อน <c oughs> ใจก็สัมโสด <c oughs> คิดอะไรได้ทุกอยา่าง ถ้าเกิดจากความคิดเป็นสุขก็มีก็เอามันเป็นทุกข์ก็มีคิดเกิดมานอนไม่หลับคิดเกิดมาเกินเข้าไม่ลงคิดเกิดมาล่องห้คิดเกิดมาพอใจคิดขึ้นมาไม่พอใ จ, จ<ะ>ทำไปกับบรรทุกอย่างปัติจะคลองมั น, มนเหมือนกับเป็นเช่นนั้ น, นมาอะไรจะม า, มมาเราจะรู้มันอยู่เนี่ย บอกคืนไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ให้วางมีความโล่งอยู่แล้วมันหลงเปลี่ยนหลงไม่หลงมันสุกเปลี่ยนสุกเป็นไม่สุกมันทุกข์เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์นี่คือวิชากรรมฐานักชิดเดี๋ยวนี้ไม่มีพุ่งนี้ไม่มีวเมื่อวานนี้ปัจจตังเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ นี่คือชีวิตต้องตั้งต้นแบบนี้มันจึงจะไปถึงความไม่เกิดไม่เจ็บไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายทำได้ทุกคนเรื่องนี้ตัวใครตัวมันต้องทําด้วยตนเองช่วยใครไม่ได้ก้องหลงเกิดคนรับว่าละต่างกันบางทีเรื่องเราหลงคนอื่นเขาว่าหลงแล้ว <c oughs> บางทีเรื่องที่เราโกรธคนอื่นเขาไม่โกรธแล้วบางทีเรื่องที่เราทุกคนอื่นเขาไม่ทุกข์แล้วมีเหมือนกันในโลกเนียคนในโลกเนี่ยมีอย่าไปคิดว่าเหมือนกันตรงเนี้นะแต่เหมือนกันรูปร่างลักษณะรูปนามคือกายใจเหมือนกันเหมือนกันหมด ใครโกรธก็เหมือนกันใครทุกข์ก็เหมือนกันไม่ต่างกันพันเดียวความหลงก็เหมือนกันหมดแต่หลงคนละวารละแต่ไม่หลงเหมือนกันไม่ทุกข์เหมือนกันไม่โกรธเหมือนกันจะทำอย่างไรชีวิตเราเนเราต้องมีสติมันก็ทำได้แบบนี้ กเราอยู่ที่นี่จึงทุ่มเทเรื่องนี้ให้คนมาพิสูจน์ดูพกเราไม่เป็นครวอาจารย์ใเป็นมิตรเป็นเพื่อนส่วนวิจชากรรมฐานเนี่ยไม่มีวิธีอื่นที่ต้องช่วยกันได้ให้ถึงจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางคืออะไรไมันไม่เป็นอะไรมาได้ชีวิต จุดหมายปลายทางคือภาวะไม่เป็นอะไรเหนือโลกเป็นชีวิตอิสระมิตรภาพมาชัฐานแต่้งไปฉุกเป็นทุกเป็นผีดเป็นถูกอยู่ไม่มาชัฐานโดดรบคบคานไม่ได้ตั้งอยู่นานตั้งมันไม่ได้มันไม่เป็นเช่นนนชีวิตเรา มันเป็นมนุษย์สมบัติมันเป็นสวรรค์สมบัติมันเป็นนิพพานสมบัติชีวิตนี้นะมองแบบพระศิทป์ธรรมตองดูเฉยเมื่อมีเกิดต้องมีไม่เกิดเมื่อมีแก่ต้องมีไม่แก่เมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีตายต้องมีไม่ตายมีหลงมีไม่หลงมีทุกข์มีไม่ทุกข์มีโกรธมีไม่โกรธหัดก้าวข้างไป เก้าแรกเปลี่ยนหลงเป็นลูกเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเป็นเก้าแรกบนที่จะมีเปลี่ยนได้ต้องมีภาวะมีภาวะที่รู้สึกตัวผมรู้สึกตัวเป็นคนแก่เป็นเป็นการไข่คนแก่แค่โซ่หลุดได้ก็หลงรู้สึกตัวอันและ ก็มาลู้สึกตัวครื่งหลงก็จืดไปเหมือนกับเตียนเหมือนทุกรู้สึกตัวก็มาเวลานี้ไม่ใช่เรามาทุกเรามาลู้สึกตัวกรรมที่ตั้งเอาไว้ก็มาลู้สึกตัวไม่ได้แค่เลยสบายสบายเหมือนกับพลังเครื่องทุ่นแหล่เหมือนเขาขับรถแบ็คโฮ เขามาขุดชะวันรถแม็คโครทั้งคันเหมือนนิ้วมือสองนิ้วจะจับต่อไปต่อมาเหมือนมือของเขาจะจะจกตรงไหนเหมือนมือของเขาจะยกขึ้นยังไงเหมือนมือเขาจะวางยังไงเหมือนมือของเขามาง่ายๆไม่ไม่ไม่หับจตติเป็นเครื่องทุ่นแรง เมืนกคุณแก่ไขได้เปิดได้มันหลงรู้ขึ้นมากำลังอยู่เลยรู้ขึ้นมามันไม่ยากไม่มีอะไง่ายเท่ากับเปลี่ยนหลงไปแม่หลงไม่มีอะไรง่ายมันกับเปลี่ยนทุกข์ไปแม่ทุกข์สะดวกถ้ามีสตินะถ้าทุกข์เป็นทุกข์ไม่ง่ายเฉยแล้วหลงเป็นหลงไม่ง่ายเฉยแล้วโกรธเป็นโกรธไม่ง่ายเฉยแล้ว แดิมมันมีตัวเมตนุนทำไมไม่ทำทำไมทำไมได้เสียดายเสียดายชีวิตที่ผ่านมาสามสิบปีไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยหลวงพ่อเทียนสอนพวกเราทำไมรู้เรื่องนี้ขึ้นมาโอ้ยกระตือรือร้นมากกระตือรือร้นพออกพอใจเปลี่ยนได้เปลี่ยนหลงเป็นลู่เนี่ยมัน มันเป็นงานชอบที่สุดเป็นการทํามันชอบที่สุดเนี่ยเรามาพิชุดพิชุดดูเจียขนหัวลุกนะเห็นขนทุกขนโกรธคนหัวลุกเล้าเคยบืเพื่อนเรื่องนั้นมาบมด น, นี้เร า, มาเมื่อกล่าวสักแต่ก่อนเราเป็นเด็ก เล่นชี้โคนไม่รู้จักส ก, กปรกวันนี้เราเป็นผู้ใหญ่อาบน้ำแต่งตัวเห็นเด็กเล่นชี้โคนไม่ได้เห็นคนทุกข์เชื้อเสียเชื้อ เ, เวลากับความทุกข์ความโกรธมันไม่มีตัวเม่ตน เอวมาเป็นพระตัวเองความขูดความทุกข์ความโลกความหลงความพอใจความไม่พอใจนะะให้เคือ้ของเราจากนี้เถอดสักหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงส้องผัดความรู้สึกตัวอยู่เคยบ้างไหมมีความรู้ต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงเคยไหม มีความรู้ตัวเนื่องหนึ่งวัน ไ, ไหมมีความรู้สึกตัวตัวเนื่องเกตวันไมไหมเคยไปโชว์เรื่องนี้ถ้าใช่โ <c oughs> ชว <c oughs> ์จะว่าอะไรเปเพราะเขาครอบความหล่อประโยควัตั้นมหาวิเลยวัดตั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มาครอบงำเราเรานั่งสอนกรรมฐานอยู่ในห้องงันหนาวบอกห้องไม่ได้เรามีกราลองสื่ห้าคนยืนอยู่ประตูขี่หน้าเรา ขอสัมภาดได้ไหมบวชได้อ่าอ่าเข้ามาม า, ม า, มาแล้วก็คนมาสอนอะไรทีนี้คนรู้อะไรมามาสอนเรื่องอะไรเป็นเป็นการแสดงแบบไม่แค่เป็นมิตรเราแล้ว หน้าตาก็ไม่ค่อยดีนะแล้วก็บอกว่านั่งหลงก่อนเรานั่งอยู่แสดงทำแต่คนยืนอยู่ไม่ได้ตามวิถีของเราเราบอกว่านั่งหลงก่อนแล้วก็นั่งหลบมันก็นั่งไม่เป็นฝรั่งเราก็นั่งแบบเนี้ยนั่งสอนกรรมทานแบบเขาไม่บอกนะ นาวัดเราน่าจะมีบอกมันเขอบอกเขาเราก็นิดหน่อยบอกเขาเขาสูงๆกลมๆเขาวางไว้บางแรงแล้วก็ดังนั่งบอกมันนั่งแบบนี้น่ะขอขอขอเถอมันบอกมันสูงเขหลังกลมเราพ่อเด้ออนั่งบอกมันจะตรงขึ้นมาเต็มเต็มน่าจะทำไว้วัดเราก็ดีนะเราก็ดั่งแบบนี้มันนั่งได้นานนะ เราก็นั่งแบบนี้นั่งบอกก็บอกเขานั่งลงเขานั่งไม่เปลีนนะฝรั่งบอกเนั่งเหมือนกับนั่งแบบนี้นั่งแบบนี้นั่งแบบนี้บอกนั่งแบบนี้ก็นั่งแบบนี้ลุกไปเอามือโคดหัวเข่าโาลงโอ้ยโอ้ยโอยแข็งตอนเนีเพราะว่าฝรั่งมันเคยนั่งแบบนั่งเก้าอี้เราก็นั่งเอามือวางไว้วางไว้เข่าอืม ทำไหมมั้ยนก็วางเอาลูกเอาแวใช่ไหมเอาแฝเอาแฝเอาแฝเอาแฝงเอาแฝงทำทำอยู่สองสามรอบคืนในไลูกเรื่องนี้ไหมนูหนูนู หนึ่งวันเคย ร, รู้เรื่องนี้ั้ยโน <No. S 1> ชัชวโมงหนึ่งเคย ร, รู้โน่ส <No. S 1> <No. S 2> ิบนาทีเคย ร, รู้อย่างนี้โน no. อา้าวคนไปรู้อะไรคไปรู้ประจันมาแล้วทำไมคุณมารู้เรื่องนั้ <No. S 1> คนเอเชียเขารู้เรื่องนี้นะ <No. S 1> นี่คนเอเชียนะ <No. S 1> ประเทศไทยชาติาทั้งหลายเิดอยู่เอเชีย ไม่เคยเกิดอยู่ที่หลบอเมริกานะคนเอเชียเขารูบเองฟัทงทำถ้าดูใครก็ฟังงงงห้าคนแล้วก็พูดไปเลยเยโชว์เรื่องนี้ขึ้นมาหนึ่งวันคนคก็ยรู้ไหมพิสูจน์ไหมเราลูบเรื่องนี้เราขอนอย่างนี้คนนั่งอยูน่นี่เขาทําอย่างนี้ เรามาสอนเลาเนี่ยเราลูกเรื่องนี้ถามเขาก็ไม่รู้เลยคุณจะพิสูจน์ไหมเขาถามว่าคุณจะอยู่นี่กี่วันแล้วจะอยู่นี่ห้าวันอย่างนี้ไปไหนนะพรุ่นี่เราจะมาใหม่อย่างนี้ไปไหนนะไม่หนีไปไหนเขาขอจบมา เท็กานแท่งานไม่เราโน้มให้จบจบเมื่อทำมเขาบอกว่าเขาได้ครบบุคคลที่เขาคิดอยากจะพบเมื่อคุคพบแล้วคุณจะทำาไรแล้วจะมาหาคนผู้หนึ่งจะพาพ่อมาเราก็เอาก็มาจริงๆอ่ะขับรถมาเอาพ่อมาด้วยเอาก็้องเมาให้พ่อนั่งด้วยมันนั่งแบบนี้ไม่เป็น ถ้ามาสร้างเนี่ยพิสูจน์ไหมรู้เดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้พระเจ้าเกิดที่นี้พระเจ้าไม่ใช่เกิดแบบทำอะไรทำหลายอย่างจากตอมาร่างกายไม่กินข้าวไม่หายใจนอนเที่ย น, นอนหนอมไม่เกิดพระเจ้าในวันเพรดานก ทำนี้ผู้ฉันเขา้าผู้แข่ออกทําอย่างนี้ที่บอกวิจารณาเห็นกายในกายจูเป็นประจำเห็นอยูป่ประจำต่อเนื่องนี่วิชากรรมฐานตัวนี้ทําอย่างนี้อันอื่นให้คนอื่นทำพวเราจะทีนี้ทำอย่างนี้สอนอย่างนี้ ได้สอนเรองอื่นสอนเรองอื่นก็สอนได้แต่ไม่เอาจะเอาพุทธโทพุทธโทก็เคยทาํทมามาทํามาเมื่อก่อนนะหลวงพ่อเทียนมาสอนสาสิบปีมาพบหลวงพ่อเทียนโอ้ยก็ตือร้นโอ้ก็ง่าสอนไหมก็ไงส่ไงสอนหลวงพ่อเทียนสอนให้เรารู้เนี่ยมันไปไกล ไปไกลตั้งต้นจากนี่ไปต่พุทธเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมตะดวกไปเลยเป็นทางเป็นสูตรไปสูตรไปดังที่เราสาเถี่ไว้สูตรในอาริมักมีองแปดทางมันเป็นทางไปอะไรเออ กรรมฐานนี่อาจารย์ทรงฉินเป็นกรรมฐานแม่ไก่คอยดูแลพวกเราหนอยลูกอยู่ที่นี่แม่ชีก็เฉลิมฉลองผู้ทำอาหารให้เรากินก็มีผู้สร้างกติให้เราอยู่ก็มีแต่นี้ก็เหมืนเจ้ภาพมาจากเชียงรายกําลังตั้งกติสองหลังให้เราอยู่ เพื่ออะไรราอยู่เพื่ออะไรก็เพื่อเรื่องนี้คนทำอาหารก็ให้เรากินเพื่อเรื่องนี้เราสร้างวัดสร้างสถานที่มาก็เพื่อเรื่องนี้แล้วก็อยากจะนั่งพูดอย่างนี้จากให้คนมานั่งอยู่อย่างนี้อยากจะพูดเรื่องนี้ควอมหลงมันไม่จริงควมไม่หลงมันจริงไปยินโบ ความโกรธมปนจริงความไม่โกรธเปนจริงความทุกข์มปนจริงความไม่ทุกข์เปนจริงอยากจะพูดตรงนี้นะออสมควร เ, เวลากับพระพรกัน